คิดจะเอาชนะของดำในใจก็ต้องเอาของขาวไปสู้หลายคนรู้ตัวว่าข้างในเหมือนมีผีพยายามเจาะปากคล้ายจิตเกิดจุดสกปรกแปดเปื้อนด้วยบางสิ่งมีความเคลื่อนไหวไม่ชอบมาพากนในหัวมีความอัดอกอัดใจกดดันให้นึกอยากลงพูดอกุศลอีกทีก็อยากตั้งข้อเรื่องสนทนาที่รู้รู้อยู่ว่า จะพาไปในทางเข้ารกเข้าพงน้าหรือออกอ่าวทางอารมณ์เพอือเจอไรจุดหมายบางทีแค่ห้ามใจหรือฝึกพูดอะไรดีๆคล้ายยังมีพลังไม่พอที่จะเอาชนะผีจอบปากเผลอพูดแย่ๆหรือเริ่มเรื่องร้ายๆขึ้นมาจนได้อันนี้เพื่อแก้เกมทางจิตก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าการใดก็ตามที่คุณหลงเกลือกล้วกับอกุศ ล, ลธรรม กระทั่งจิตยอมติดของดาของดานั้นจะดนจิตดนใจให้คิดไม่ดีผลักดันให้อยากพูดไม่ดีเป็นธรรมดาสภาพจิตเป็นที่มาของอารมณ์สภาพอารมณ์มากอยู่เหนือเหตุผลนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาของคนทั่วไปดังนั้นเมื่อคิดจะเอาชนะของดาก็ต้องเอาของขาวไปสู้กัน ของขาวที่พลิกจิตจากดำเป็นขาวง่ายที่สุดคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เข้าห้องพระและเอาพระพุทธรูปมาตั้งเพื่อเป็นเครื่องเหนียวนมจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดอิติปิโสอันเป็นบทระลึกถึงความบริสุทธิ์หมดจดของพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ให้สวดเต็มปากเต็มคาแบบไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดยิ่งไปกว่าได้ถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชา สวดสักสามจบหรือเจ็ดจบจนกว่าจะรู้สึกถึงความผ่องแพ้วทางใจสังเกตไปด้วยว่าแต่ละรอบมีความปนเปื้อนทางจิตน้อยลงเพียงใดแม้มันเลเอะเลอะเทอะเทอะหนักขึ้นก็ให้ยอมรับตามจริงเพื่อให้รู้ตามจริงว่าจิตในแต่ละรอบมีความสกปรกหรือความสะอาดไม่เท่ากันประลึกว่าการรู้ความไม่เที่ยง คือมงคลสูงสุดดังนั้นจึงไม่ต้องไปกลัวที่จะยอมรับแม้รอบสกป ร, รกที่มาแสดงความไม่เที่ยงให้ดูเหมือนกันเมื่อมีความสุขกับการสรรเสริญพระพุทธเจ้ากระทั่งเกิดสมาธิเห็นมนทินในจิตไม่เที่ยงในแต่ละรอบการสวดแล้วตรงนั้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเกิดความสามารถจาแนกแยกแยะเห็นจิตเหมือนน้าใส เป็นอกุศลธรรมเหมือนน้ำมันที่แบ่งกันเป็นคนละอย่างคนละชั้นจากนั้นให้หยุดสวดอิติปิโสแล้วตั้งสติเฉพาะหน้านึกถึงพระพุทธรูปกล่าวอ้างความเป็นจริงเต็มปากเต็มคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอะไรที่เป็นโทษพระพุทธเจ้าตรัสแต่สิ่งที่เป็นคุณ ธรรมดาเมื่อกล่าวอ้างของสูงในทางดีจิตจะเบิกบานเหมือนแหวกเมฆหมอกชั่วร้ายที่ดำมืดออกไปหาฟ้ากว้างสว่างใสคุณจะรู้ชัดว่าตัวเองเด้กรองสิ่งสกรปรกออกจากจิตแล้วสังเกตได้ว่าต่อไปเมื่อพบคนใกล้ตัวหรือกลุ่มบุคคลรอบข้างที่เป็นชนวนกระตุ้นให้นึกอยากพูดไม่ดีอีกคุณจะมีหลักใจอันสุขสว่าง เรากับมีพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานณกลางใจเป็นกำลังหนุนให้แน่วแน่ไม่พูดออกนอกลู่นอกทางได้ตลอดการสนทนา